นี่นี่มันนึงแปลกอ่ะก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อเช้านี่แหละดูคนตอนเย็นนี่ก็ดูเด็กแล้วพอดีพวกนี้เข้าไปก็เอาอีกเอ่มันเลื่อยมาแล้ววันนี้วันมันเหนื่อยจะตายนะตายว่ากันลงไปกับหาอะไรน้างหน้านี่วะมันไม่ยอมไปพูดคํานั้นคนํานี้ยุ่งอยู่นั่นบ้าพูดอะไรน้งนางหน้านี่บอกให้ไปเนี่ย นี่มาขอ น, นั่นขอที่นี่เรื่อยคำพูดติดต่อกันเรื่อยเราไปเลยเข้าห้องปุ๊บปิดประตูเท่านั้นสิหนีตอนหน้าเนี่ยอัศจรรย์อะไรนันสามแดนโลกธาตุนี้เราไม่เห็นอะไรอัศจรรย์นี่กว่าทำมาทาได้ทุกอย่างในวงของเหตุผลแล้วเราทําได้ทุกอย่างไม่ได้มีที่ว่ารูปหน้าปะจมูกนั่นนีไม่ได้เท่างั้นเลยทําเป็นอย่างนั้นนี่ เหตุผลลงไหนต้องเป็นลงตรงนั้นนี่ก็บอกว่าเหนื่อยแล้วมัน่ายพระกันกลับไล่สองคนสคนก็ไม่กลับต้องพูดกำ น, น, นั้นคำนี้อาว่าพูดอะไรนักหนาได้บอกให้ไล่บอกให้ลงแล้วนี่ยังไงกันนี่ยังต่อเรืออ่องอยู่ไม่หยุดแล้วก็ถามกล่องเทพกล่องเทปกล่องลายต่ออะไรยุ่งไปหมดเลยเขาเลยเข้าในห้องนี่เข้าใจว่าเราจะเอาเทพมาให้สิอะไรก็ไม่รู้มนุษย์หาประมาณไม่ได้ กันตอนนับแขกรับคนเราก็รับพอประมาณแก่ทา่านแก่ขันนะเลยนะั้นมันก็เลยไม่ได้เรารู้ใครจะไปรู้ดียิ่งกว่าเรารู้เราในท่านในขันของเราเองเราแบบดือด้อด้านๆมาใส่ได้ยังไงพาราลี่หนับขึ้นหนักขึ้นเพียงทา่านขันเป็นขนาดนี้มันก็ถ้าจะพูดแบบโลกๆมันก็อินานอาใจแล้วที่จะรับภาระต่อไปนนั้ อยู่ลําปังคนเดียวมันก็เป็นปกติของคนคนเดียวประครับป ร, ประคองประคองกันไปแล้วภาระมีมากขึ้นมากขึ้นก็ต้องแบกต้องหามมันก็ต้องเพิ่มภาระเขาอีกหนักเขาอีกทำรุดลงอีกเรื่อยๆนี่ธาตุไม่ขันพอดีการสงฆ์ก็โลกก็สูงขฆ์เท่าที่สง้อได้เท่านั้นเลยนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ งหัวใจผลมันก็ต้องปิดมาด้วยนี่เราล้มลำบากนะหาเหตุผลนะประมาณไม่ได้เราอยู่ในกรอบของเหตุของผลอยู่ตลอดเวลานี่อมาขันมาแย้มมันก็รู้กระทกบกระเทือนกับเหตุกับผลก็รู้การดำเนินตนเหมือนกันการปฏิบัติตนถ้าลงขัดต่อเหตุต่อผลแล้วก็คือขัดกับตัวเองทําลายตัวเองเนั่นเองจะเป็น มันจะทุกจะยากลําบากขนาดไหนก็ตามให้มันทุกข์ยากลําบากอยู่ในกฎของเหตุของผลการทุกข์ยากคือการต่อสู้กับสิ่งที่ขัดขวางต่อเหตุผลอัตชั่งทั้งหลายนั่นแหละเอากันตรงนั้นเดียอันนี้มันเป็นนิสัยสันดานของกิเลสที่มันฝังใจอะไรก็มีแต่ความยากความลําบากไปทั้งหมดพอจะก้าเข้าสู่ความเพียรถูกกีดถูกขวางแล้วหาที่ก้าเดินไม่ได้เพราะเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องอะไร นี่ได้พูดช้ำๆซักซา พ, พูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนให้รู้เหตุรู้ผลรู้โทษลูกคุณของระหว่างธรรมกับกิเลสมันขัดมันแย้งกันอย่างไรบ้างในหัวใจเราดวงเดียวนี้ธรรมท่านก็พูดไว้กลางๆตามตำลับตำลานในกำผีที่จะให้แยกแ ย, กแยก อ, อกมาทุกแยนะตุ้มุมอันนี้ท่านก็ไม่ได้แยกก็ว่าไว้อย่างนั้นผู้ปฏิบัติให้ปฏิบัติตัวเองมันจะรู้เองอยังที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่าน อธิบายไว้แล้วเราได้เขียนไว้แล้วในประวัติหรือในปัญห า, าธรรมที่ไม่เคยลูกก็เห็นเคยเกิดเคยมีก็ปร า, ากฏขึ้นเรื่อยๆไม่มีหยุดมีถอน ม, ม่มีมามีต่อนเรื่อยอย่างนั้นตลอดธรลึกซึ้งกว้างขวางมากมาย ท, าทัานจึงได้เทียบว่าธรรมที่มาในแบบแผนตำรับตำราที่จดจารึกไว้นั้น เทียบกับน้ำในตุ่มเท่านั้นไม่ได้มากอะไรเลยทันวะที่นอกจากนั้นทำที่ไม่ได้มาในในกมพีเวลา น, นั้นเทียบกับน้ำมหาสมุทรสุดสาขอดฟังซิเรากราบสนิทเลยนี่มีอะไรมากีดมาขวางทำทั้งหลายไม่ให้ออกแสดงออกตามความกลิงของตนก็มีแต่กิเลสเท่านั้นเมื่อเปิดกิเลไปแล้วทำไมทำจะไม่ไปรากฏขึ้นมา มีที่ไหนทะ่ไหนก็ปรากฏขึ้นมาไม่ว่าล้านหนึ่งก็วาล้านหนึ่งขึ้นมาแทรกซ้อนกันขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้โลกไม่เคยรู้ก็เห็นก็รู้ก็เห็นจิตตรงนั้นรู้ไม่โลกไม่เคยทราบมาเลยแต่ก่อนก็ทราบเราเองก็ตามไม่เคยทราบมาก่อนก็ทราบเพราะสิ่งปิดบางมันเปิดเผยมาหมดแล้วความจริงมีเท่าไหร่ก็แสดงไม้เห็นหมดเพราะความจริงมีอยู่แล้วตั้งเดิมท่านจึงบอกว่าทำมีอยู่แล้วทำมีตลอดเวลาจะเป็นสภาพอะร ทั้งเหตุทั้งผลนี้ตลอดเวลาเหมือนกันหมดนี่แล้วธรรมชาติที่นอกจากเหตุจากผลไปคือทำรุนร้วนนั้นก็มีอยู่แล้วนั่นมันมีอยู่สามขั้นสามวคคือเหตุแห่งธรรมทั้งหลายหนึ่งผลแห่งธรรมทั้งหลายหนึ่งแล้วทำรุนร้วนที่ออกจากเหตุจากผลนี้ไปแล้วนั้นหนึ่งนี่มีอยู่แล้วทั้งสามก็เกียตินี้ก็มีแต่กีรยรติตัวรามกจกเปรตนั่นแหละมันปิดมันบังไว้หมด ไม่ว่าส่วนยาส่วนกลางส่วนละเอียดมันไม่ให้เห็นมันกล่อมแต่สัตว์โลกทั้งหลายให้จมอยู่กับมุดกับพูดของมันมุดคูดของมันเป็นโอสถสําหรับโลกทั้งหลายที่ถูกกล่อมไม่ทราบว่านั่นคือมุดคือคูดเลยเห็นเป็นของหนีของหนีไปเสียหมดเพราะฉานนโลกจึงส่งเสริมครใครอยากจะส่งเสริมทุกก็ทราบกันอยู่แล้วทั่วโลกนี่ว่าเป็นทุก โลกนี้อยู่ด้วยความสุขความสําลานบานใจได้เมื่อไหร่พูดกันก็พูดว่าสบายดีเหลือก็พูดกันไปอย่างนั้นแหละในหลักธรรมชาติแล้วมันบีบบังคับอยู่ในหัวใจเพราะสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเป็นผู้บีบเป็นธรรมชาติที่บีบไม่ใช่อะไรมาบีบแต่เราไม่รู้เราไม่สามารถจึงยอมมันไปไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันหมดจะตําหนิใครก็ตําหนิไม่ได้เพราะยังไม่ใช่วิสัยที่จะควรรู้ในแง่หนักเบาของมัน จนกรทั่งมันรู้ไปโดยลําดับลําดาจนรู้เปิดมันออกหมดมันก็รู้ได้หมดทีนี้ทํามีเท่าไหร่ก็เปิดเผย ห, หมดเช่นเดียวกับกิเลสเปิดตัวออกไปเปิดเผยตัวออกไปแล้วทําท่าไหร่ก็เปิดหมดอืมม่งั้นใครจะไปส่งเสริมท่านก็บอกว่าราคะกินราคาคีโทสักีโมหคี้นั่นทำท่านบอกไว้แล้วความกหนัดยินดีมันก็เป็นฟืนเป็นไฟท่านบอกว่ามันเป็นน้ําเป็นท่าลมเย็นเมื่อไหร่โทสักี ความโกรธความโหมะโทโสโ ม, มันก็เป็นไฟโมหะสูงอยู่ภายในจิตใจนั้นมันก็เป็นไฟท่านก็บอกไว้แล้วนี่คือความจริงความจำปลอมที่มันแทรกเข้าไปในนั้นมันปิดบางห้องหอยนั้นราค้าก็เป็นของดีโทสะเป็นของนีโมหะเป็นของ ด, องดีไม่งั้นโลกไม่สนใจกับสิ่งพวกนี้ไม่ดิ้นรนกระวนกระวายกับสิ่งพวกนี้ไม่ส่อแสวงสิ่งเหล่านี้เพราะธรรมชาติที่ให้ส่อมีสภาพที่ให้ดิ้นรนบางคับให้ดิ้นรนมันมีบางคับให้ติดมี บางคำให้จมมีนั่นมันถึงได้ติดได้จมถึงได้เสาะได้แสวงถึงได้ดิ้นรนกระวนกระวายแต่ ท, ท, ทั้งๆติดดิ้นรนกระวนกระวายก็ไม่เห็นทางออกแล้วยังไม่เห็นโทษของมันอีกด้วยถ้าเห็นก็นแยบเดียวเหมือนฟ้าแมบเท่านั้นมันปิดไว้ขนาดนั้นแล้วไม่สามารถที่จะรู้จะเห็นได้เลยนี่แหละสิ่งจอมปลอมมันปิดอย่อยางนี้ไม่มีใครที่จะเปิดหน้ามของมันความชั่วช้า ล, ละมกความปิดบังของมันความมืดบอดของมัน ที่ปิดบังหัวใจสัตว์ได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระรหันทั้งหลายเท่านั้นนั้นจมอยู่กับมันหมดจมมากจมน้อยหนาบางในความปิดบังหัวหอนั้นมีโดยลําดับนาตั้งแต่พื้นพื้นของโลกนี้นไปจนกระทั่งถึงทรมาโลกทิ้งเหล่านี้นต้องปิดบังไว้หมดทั้งนั้นแหะตามขั้นตามภูมิแห่งความหนาบางของกิเลสของธรรมที่มีมากน้อยพานาจัเล่นจะ อรา่าทธรรมอรา่าตบุคคลนั่นหมดเปิดเผยหมดทีเดียวความจริ ง, รงมีทลายเห็นหมดความจอมปลอมมีทลายพังลงหมดไม่มีสิท์ใดเหลือแหลเนี่ยที่โลกทั้งหลายได้หมุนไปตามมันก็เพราะมันมีความแยบคายมีความละเอียดแหลมคมอ้อยอิงมากต่อจัดจิตใจของสัตว์โลกโลกไม่มีที่กเกาะก็อาศัยมันนี่มันเป็นจอมนาเกาะ ชอบนาจบังคับไว้หมดไม่อาจให้ทำได้แทรกเข้าไปได้เลยแม้การใครจะดิน้นมันจะฉลาดแหลมคมขนาดไหนก็ตามอยู่ในวงของจิงกดขี่บังคับนี่แล้วมันจะต้องเป็นเครื่องมือของมันได้อย่างเป็นอย่างดีฉลาดเท่าไรยิ่งเป็นเครื่องมือของมันได้เป็นอย่างดีถ้ามันมีทํข้อแทรกแล้วจะไม่มีอะไรคัดค้านต้านทานความฉลาดนั้นจะไม่เกิดผลประโยชน์ อันพึงใจแก่ผู้นั่นเลยจะมีตั้งแต่ความผู้ความดอดร้อนเพราะความฉลาดของตนนั่นแหละบีบบังคับอยู่อันถึงปกักการปฏิบัติผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะเห็นความจริงปฏิบัติตามหลักธรรมหลักี่ใยของพระพุทธเจ้าอย่าตรีอย่าแวะทุกยากลำบากขนาดไหนก็ให้ตะเกียก ต, ตะกายสู้มันไม่หยุดไม่ถอยเพราะโทษของมันนี่จมมานานเท่าไหร่แล้ว ที่จมอยู่นี้เพราะสิ่งเหล่านี้พาให้จมนี่หลุดพ้นตัวไปไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันบีบบังคับเอาไว้นี่ก็พยายามสอนหมู่สอนเพื่อนสอนจนจะเต็มสติตททกําลังความสามารถนี่ได้สามสิบกว่าปีแล้วเรียกกับหมู่กับเพื่อนสอนด้วยความถึงใจทุกอย่างไม่ได้สอนแบบละหล่อแล้วแหละสอนจริงจังทุ่มทั้งหมดหัวใจ มีความเมตตาสงสารนั่นแหละโทษเราก็เคยเห็นมาพอแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้พาให้เป็นโทษพาให้ได้รับความทุกข์ความลําบากหรว่าความรักความชังความเกลียดความโกรธมันเป็นพื้นเป็นไฟเพผาโดนจิตใจทั้งนั้นเมื่อไม่มีอุบายไม่มีวิธีการอันใดที่จะเหนือมันแล้วต้องถูกมันบีบบงังคับบีบมากบีบน้อยเป็นทุกข์มากทุกข์น้อยตามความบีบพันข้าขมันนั่นแหละเวลามีสติปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียรที่เกี่ยวกับด้านอัตธรรมเข้าไปชะล้าง โดยลำดับลำดาก็ค่อยส่งแสงสว่างขึ้นมาพอเห็นโทษเห็นไผ่แม้แต่เพียงความสงบ น, น, นี้ก็เป็นเหตุให้เห็นโทษในความฟุ้งซ่านแล้วแล้วก่อนฟุ้งซ่านเท่าไรมันก็ไม่เห็นเห็นแค่แยบเดียวเท่านั้นเราฟุ้งถูกมันลากไปถลอกกอกดไม่มีเนื้อมีหนังติดตัเลยก็จมยอมไปกับมันเพราะ อ, อานาจของมันมากแต่พอความสงบปรากฏขึ้นพนาใจที่เรียกว่าสมถะหรือสมาธิภาวนาตามขั้นปุ้มงตนก็ พอได้ยับยั้งตั้งตัวได้บ้างตามกําลังแห่งความสงบที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจนะนี่ในขณะเดียวกันก็ได้เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านนํามาแห่งความทุกข์ความวุ่นวายความเดือดร้อนมากน้อยตามความฟุ้งซ่านที่แสดงตัวความสงบมีมากน้อยความร่มเย็นความยับยั้งตั้งตัวก็พอได้พอปรากฏขึ้นมาบ้างนี่เพียงขั้นนี้ก็เห็นโทษกันแล้วในขั้น ความวุ่นวายของจิตกับความสงบมันแข่งกันลราเห็นแล้วนี่คุณข้างความสงบเป็นอย่างนี้โทษของความฟุ้งซ่านของจิตเป็นอย่างนั้นออกจากจิตดวงเดียวกันเป็นที่จิตดวงเดียวกันเรีรู้ได้ชัดในผลของมันทั้งสองอย่างฝ่ายกิเลสผลของฝ่ายกิเลสผลของผลของฝ่ายธรรมรู้ได้อย่างชัดเจนจากนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญามีความแยกคลายออกไปสมาธิคือความสงบใจพอได้ตั้งเนื้อตั้งตัว พอมีกําลังทีนี้ปัญญาออกเดินทําหน้าที่บุกเบิกฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสประเภทต่างๆไปพิจารณาอะไรพิจารณาให้จริงให้จั ง, จงทำมาเป็นของจริงไม่ใช่เป็นของปลอมพอที่จะพิจารณาปลอมๆแปรๆนับเที่ยวนับตลบทบทวนไปทางนั้นก็เป็ น, เ, ปนเหตุเป็นผลเอาตามความค้าดหมายของตนแล้วก็ไม่ได้อะไรได้แต่นับเอาเฉยอย่างนั้นใช้ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องของธรรมพิจารณาให้มันชัดเจนลงไปภายในจิตใจ โดยที่ของจริงมันชัดอยู่ตลอดเวลาตาเนื้อเนื้ อ, เ, อเราก็เห็นนี่นะ่ะสภาพของโลกอันนี้เป็นยังไงทั้งภายนอกทั้งภายในไม่ว่าต้นไม้ภูเขาถ้าพูดถึงเรื่องความแปรสภาพมันแปรอยู่รอบตัวมันหมดแม้แต่ภายในจิตมันก็แปรยาว่าตั้งแต่ภายนอกกว้างออกไปขนาดไหนกี่ขอบเขตจักรวาลก็ตามภ า, ายในมันก็แปรมันแปรห ย, ยุดรอบตัวขึ้นชื่อว่าโลกสมมุูลแล้วเป็นอย่างนั้นหมด โรคสมมุติก็คือโรคหมุนนั่นเองหมุนเรื่องกฎแห่งอ น, นิจจังทุกขังนาตานี่เห็นชัดิอย่างนี้แล้วฝืนไปไหนฟื้นจากนี้นอกจากที่เดสมันลากไปถลอกเปาะเปิกให้ฝื้นความจริงประทันนั้นมันจึงได้รับความทุกข์ความลําบากถ้าปัญญาเดินตามนี้แล้วทําไมจะไม่ทําลายสิ่งที่มันฝืนอยู่นั้นได้ลงสู่ความจริงนะความจริงก่อนนิจจังละสิมันแปลอยู่เปไหวใจได้ที่ไหนขณะเดียวมันแปลอ ย, อยู่เท่าไหร่แล้ว ทั้งภายนอกภายในมันแปลตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นมันแปลอยู่ตลอดไม่ว่าเอียบดอยภายในตัวของเราก็ดีสิ่งภายนอกก็เช่นเดียวกันพี่นานนี่มันก็เห็นในชาติดูอะไรก็ดูตั้งแต่เรื่องกดของกิเลสไปหมดไม่ใช่กดของธรรมผมยิ่งเรียนนิจจังสุขขังไปแล้วทุกเป็นพื้นเป็นไฟมันก็ว่าสุขขงังมั้งมันหลอกต้มขนาดไหนก็ยังเชื่อมันจะให้งงขนาดไหนมนุษย์เรา เแตเาะอย่างยิ้มผู้ปฏิบตัติโง่ที่สุดจึงไม่ เ, เห็นตามกฎความจริงของสิ่งเหล่านี้อนัตตานัตตาก็พิเศษอยู่รอบตัวหมดขึ้นชื่อว่าโลกสมมูลแล้วเป็นอนัตตาทั้งนั้นนั่นนันรอบตัวอยู่แล้วนี่ทำไมปัญญาไม่อย่างลงไปะถ้าพูดถึงเรื่องคันอสุภาอสุพังก็เหมือนกันมันสวยมันงามที่ตรงไหนดูข้างนอกดูข้างในเกลื่อนไปด้วยประชารผีดิบผีสุกเต็มไปหมดนี่เห็นกันชัดชอยู่ด้วยตาของเหล่านี้ เสียงอะเสียงอันไหนมันไพเราะนอกจากเสียงเหตุเสียงผลเสียงอัดเสียงธรรมท่านั้นเป็นเสียงที่ไพเราะพราเครื่องจิตใจออกจากกองพุกได้โดยลําดับธรรมาเพราะเสียงที่ประกอบด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัดด้วยธรรมไอเสียงโศกปรกโสมมเสียงยกยอสนะเสริญหาหรือเสียงตําหนิติฉินนินทาอันหาความสะอาดไม่ได้มีแต่ความโศกปลกเต็มปากเต็มเสียงมานั้นผู้ฟังก็ฟังอย่างเต็มหูหูโศกปลวกทรายเขายังไม่รู้อม ตาโซรรกโปกหูโซรรกโปกทั้งวันทั้งคืนเจอตั้งแต่ของโซรรกโปกมมีแต่สิ่งหลอกลวงเต็มโลกมองไปมันกับหลอกลวงตัวเองเสียได้ยินกระดอกลวงตัวเองเสียสุขจิ่นลินล้นรดมาสัมผัสสัมนพนัสพันธนาการตลอดถึงคิดกินภาชนะล้วนแล้วแต่เรื่องโซกปรกพ่อขี้เด็ดมันปรุงมันแต่งขึ้นมาให้คู่คราวกับอยูกระกิดตลอดเวลามันหาความสะอาดที่ไหนเต็มอยู่ด้วยของสกปรกไม่ชำระล้างด้วยสติปัญญาจะเอาอะไรมาชำระล้างเนี่ยมันโซกโปกอย่างนี้เห็นไหมพิจารณาสิ นี่แหละปัญญาอย่างไปซินี่อะรดิ่งสิ่ที่สกรปรกที่สับัดสะพันอยู่ตลอดเวลานี่เราจะไปหาดูตั้งแต่ซากและสุภาพสะพังเลยก้าวข้นมาสู่ขั้นละเอียดมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละอันนั้นเป็นขั้นหยบาบหยาบก็ยังไม่เห็นอืมน้าแฟยยุ่งก็ยังไม่เห็นแล้วมันจะเห็นอะไรสิ่งที่ไม่เน่ทาทั้งๆที่มันก็สกรปรกอยู่เหมือนกันภายนอกอ ก, ก, นก็สกรปรกพันหน้าก็สกปรกในหัวใจก็สกรปรกมันสลับซับซ้อนอยูอย่หนุมมีแต่ของสกรปรกเต็ม หัวใจเราจะเอาความสุขมาจากไหนถ้าจะได้ความสะอาดก็ตั้งขึ้นมาที่สติปัญญาการกรองลงไปตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงที่มีอยู่รอบตัวนี่มันก็เห็นแล้วท่านนะที่เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่นี่นะไม่ใช่แป้งอุตริฮนะพินาลงไปแล้วมันเห็นชัดแจ้งเมื่อมันเห็นชัดแจ้งแล้วไม่ต้องบอกไอ้เรื่องอุปทานมันเป็นตัวผลของความหลงต่างหากมันยึดไปยึดเมื่อรู้แจ้งโดยลำดับลำนดานมันต้องถอนตัวเข้ามาถอนตัวกลับไปนี่ท่านเรียกว่าปัญญา บุกเบิกหาความจริงข้อความจอมปลอมมันปกคลุมไม่หมดในสาแดนโลกธาตุนี่มีแต่เรื่องความจอำปลอมมันออกไปจากกิจใจแต่ละดวงละดวงมันไปสาคัญมันหมายไปปรุงไปแตกเพราะกิเลสพาให้มันปรุงมันแต่กมันออกไปจากใจเจ้าของก็หลงตามมันไปเรื่อยๆถูกจุงจมูกจมูกขาดนั่นก็ไม่รู้ปัญญาอย่างต้องไปดิ ทำให้มันจริงมันจังทีทุกข์มันทุกข์จริงๆไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ว่าจะทุกข์ทางไหนทุกข์ทางกายมันก็ทุกข์จริงๆเป็นสัตว์จะจริงๆคือความจริงทุกข์ทางใจก็ทุกข์จริงๆสติปัญญาก็เป็นของจริงแก้กันลงไปนพินาเห็นตามเหตุตามผลทําให้มันจะแก้ไม่ได้วะธรรมะของพุทธเจ้าเป็นธรรมสะสดสดร้อนรเครื่องแก้ ส, สดสเครื่องแก้ ส, สดสร้อนร้อแท้ๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่ล่าสมัยคำํำที่ล่าสมัยกิเลสมันหลอกนี่นะกิเลสมันไม่เห็นล่าสมัย มันหลอกสัตว์มากี่กับกี่กันแล้วทุกอยู่ทุกหัวใจของสัตว์ไม่ว่าสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กสัตว์ไหนพบได้ภูมิไหนมีแต่กิเลส ต, ตัวจําปลอมมันทะทำสมัยอยู่ในจิตนั้นหมดนั่นแหละทําจึงล้าสมัยทําจึงไม่มีในจิตใจของคนเพราะกิเลสยิ่งหนากเหนือกว่ามันกําจัดออกหมดไม่มีนี่เราเป็นผู้มำเปฏิบัติอัดธรรมทให้จึงไมแก้สิ่งที่มันจำปลอมซึ่งอยู่ภายในจิตใจของเรากําจัดธรรมคือวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมเราอยู่ตลอดเวลาแก้มลงไปสิ ความเพียรมันมีมาเองเนี่ยเมื่อกิเลสตัวขี้เกียจมันจางลงไปแล้วความเชื่อก็เชื่อเข้าโดยลําดับลาดาเข้าถึงของจริงมีกําลังขึ้นเรื่อยๆศรัทธาวิริยะไม่ต้องบอกมันเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันสติสมาธิปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยเหมือนกับเชือกที่ฟันกันหลายๆเกลียวเข้าไปสู่อันเดียวกันแล้วมันก็ไปเชือกทั้งเส้นน้ำหมุนติ๋วเลย ปฏิบัติมันไม่ในเรื่องได้เล่าอะไรพูดก็มีดกระลมปากเฉยไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรสอนหมู่สอนเพื่อนก็ดีไปยังไงมาปฏิบัติไม่รู้กี่ปีกี่เดือนเหตุผลอัตธรรมไมปรากฏในใจเลยเป็นที่ต้องใจแล้วเหรอมเป็นที่พึงใจแล้วเหรอเราอยู่ด้วยอะไรทีเวลานี้อยู่ด้วยความเลื่อนลอยอย่างนี้เหรอเป็นมาก็เป็นมาด้วยความเลื่อนลอยอยู่นี่ก็อยู่ด้วยความเลนลอยไปจะเอาหลักเกณฑ์มาจากไหนถ้าไม่เอาหลักเกณฑ์มาจากสิ่งที่เป็นหลักเกณฑ์คืออัตคือทํา เป็นเครื่องชำลาดสิ่งจำป้อมทั้งหลายอันทำคนให้เป็นหลักลอยนี่ไม่มีอันอื่นอย่างอื่นหล้งหมุนตัวเข้ามาสินักปฏิบัติอันนี้จะไม่มีเกาะมีดอนนะนะเนี่ยมันจะเป็นมาหาส ม, มุทรทะเลจมไปหมดด้วยกันทั้งโลกทั้งธรรมทั้งพระทั้งครวะหมายว่าเพศใดวัใดส่งเสริมกันในเรื่องที่ มันจะเป็นปืนเป็นไฟใคยก็ต้องการแต่ความยุติธรรมใครต้องการแต่ธรรมาทิปไตยธรรมาทิปไตยเป็นยังไงอืโลมโลพาทิปไตยเป็นยังไงไม่ได้สนใจมกเตเสริมมันนี่แล้วคือปืนคือไฟ เดี๋ยวนี้อันนี้นหละมันเป็นใหญ่หนึ่งหัวใจของโลกมันดิ้นรนกวาดแกงหมุนยิ่งกว่ากังหันใครก็ต้องการอยากเป็นอธิปไตยอธิปไตยตัวนี้ทาไมไม่ได้ดูบ้างที่มันบีบบังคับไม่ให้เป็นอธิปไตยได้มันเป็นอธิปไตยเป็นใหญ่กามาอธิปไตยกับราคาตันหามันเป็นใหญ่เป็นหัวใจโบโลพาอธิปไตยก็คือความโลภมันเป็นใหญ่ คนมีความโลภมากมากมีความสุขหมายคนมีราคาตัณหามากมากมีความสุขหมายนั่นมีความโกรธมากๆมีความสุขหมายก่อฟืนไฟเผาคนทั้งคนมันเอาความสุขมาจากไหนพี่นาทีคนไม่มีสิ่งเหล่านี้ต่างหากเป็นความสุขไม่มีอะไรมาเผาพายใจิตใจต่างหากเป็นความสุขแห่เห็นไดจึงต้องส่งเสริมร น, นักเอาหนาไม่ลืมเนื้อลืม ไม่ลืมหมูดืมตาเลยนี่ฉลาดยังไงมนุษย์เราแล้วอวดตัวว่าฉล า, าดได้ยังไงยังหน้ า, นาด้านอวดตัวอยู่ว่าฉล า, าดอยู่เหอารอฉลาดอยู่ในกองปืนกองไฟอย่างนี้เพราะนักปฏิบัติเราเนี้ยที่พิงงจารณาเจ้าของให้ดีอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปก็ว่าไปอย่างนั้นแหะไม่ได้ตั้งหนิ้ติดเตียนผู้หนึ่งผู้ใ ด, ดแต่เรื่องอันนี้มันเป็นเช่นนั้นแลเขาพูดตามความจริงของมันสิ่งที่เป็นไฟอยู่ที่ไหนมันก็ต้องเผาอย่างว่า เราเป็นผู้ที่จะดับฟืนดับไฟด้วยอดด้วยธรรมต้องส่งเสริมอดทำให้มีมากขึ้นอย่ามานอนอกนอนใจการกินอยู่ปวัวการอยู่กับหมู่กับเพื่อนเป็นความชินชาหน้าด้านไม่ได้กิเลสมันไม่ได้ชินกับภัไล่หรอกเผาได้ทั้งนั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนเดินอนอนทุกขณะกิจที่คิดออกมาเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมีธรรมแทรกออกมาบ้างไหมเดินจะ ก, กรมยอกจอกจจอ ก, จอ ก, จอกมีแต่เรื่องคิด ปรุงเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องกิเลสทันหาทั้งนั้นแล้วจะเอาทำมาจากไหนหาความสงบเย็นใจได้บ้างปัญญาจะคิดออามาสักนิดแยบหนึ่งมันก็ไปทําสัญญาอารมณ์คาดหมายไปเสียถูกมันหนักมันเข็นไปเสียปัญญาเลยอย่างลงหาสูหาความจริงไม่ได้แล้วมันจะถอถอนกิเลสได้ยังไงเมื่อกิเลสได้เอาปัญญาไปต้มยำกินหมดแล้วสติก็ไปต้มยำกินหมดแล้วหาคุณค่าที่ไหนจากปัญญาอ น, นัน มันเป็นปัญญาของกิเลสเป็นเครื่องมือของกิเลสทำลายตัวเราซะแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นความสุขความเจริญคําว่าสมมาตรสมมาตรไปหาที่ไหนไปหาต้ต้นไม้ก็เป็นต้นไม้น่ะดินฟ้าอากาศเป็นดินฟ้าอากาศดินน้ําลมไฟเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่สมมาตรไม่ใช่ความสงบไม่ใช่ความเย็นใจหาที่ใจต่างหากฟั้งแต่ว่าเย็นใจร้อนก็ร้อนที่ใจอากาศเป็นเรื่องของอากาศเขาไม่ทราบความหมายของคำว่าร้อนมาเย็นอย่างไร ดินน้าลมไฟเขาไม่ทราบความหมายของเขาว่าเป็นอะไรมีแต่มนุษย์เราที่ว่าตัวฉลาดเนี่ไปตั้งชื่อนเขาก็หลงเขาติดเขาแล้วมาเผาตัวเองเท่านั้นบางคนดูที่นี่สิตัวมันฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านที่ไหนฟุ้งซ่านที่ใจ บ, บังคับทําไมจะบังคับให้ได้กิเลสบังคับหัวใจเรายังบังคับได้ทําเหนือกิเลสเอาบังคับกิเลสทําไมจะบังคับไม่ได้ไดาาไไไดฟัดกับนองใบที่นักปฏิบัติเด็ดต้องเด็ดกิเลสมันเด็ดเราต้องเด็ด ไฟชั่วมันเด็ดไฟดีต้องเด็ดไม่อย่างนั้นไม่ทานกันอืมต้องเป็นอย่างนั้นเด็ดต่อเด็ดใส่กันถ้าจะเด็ดในธรรมก็กลัวกีเด็ดหัวยอ่อหัวหัวร้อยยอเสียอย่างนั้นเหนือเช่นอย่างเทศนาว่าการฤดูดาว่าการอย่างนั้นอย่างนี้ว่าก็ว่าให้ว่าไปซี่เรื่องของกีเด็ดมันว่า่ะเรื่องธรรมก็ว่าไปตามอตตรมธรรมชี้แจงเหตุผลเพื่อ อ, อาจเพื่อทำควรจะเด็ดต้องเด็ดความจะดุต้องดุควรด่ดาต้องดา่า ด่ากิเลดต่างหากไม่ได้ด่าคนดูกิเลสต่างหากฟันกิเลสต่างหากไม่ได้ฟันหัวคนเป็นอะไรไปนี่ความดีความชั่วมันเป็นคู่เคียงกันไปกิเลสมันโหดขนาดไหนทำต้องโหดขนาดนั้นโหดกับกิเลสจะเป็นอะไรไปอย่าโหดกับตัวเองสิโหดกับกิเลสโหดกับตัวเองก็คือปล่อยให้กิเลสเหยียบหัวใจเจ้าของแหลกละเอียดไปนั้นนั่นก็โหดกิเลสนั่นคือคล้อยตามกิเลสมันก็เหยียบหัวเรา แต่คล้อยตามทำแล้วเยียบกิเลสให้แหลบก็ได้เลยไม่ต้องสงสัยสียทาเยอะเยอะแยะมันได้เรื่องอะไรถึงคราวที่เด็ดต้องเด็ดไม่เด็ดไม่ได้ พิธีการของการประกอบความภาคเพียรเราจะเอาตัดนิสัยของเราไปว่าไปทําไม่ได้นะต้องเอาหลักของธรรมเข้าไปจับบืนตามอัดของหลักของอัดของธรรมนั่นะหันถึงจะมีช่องทางไปได้เราจะไปหาหาสมาธิก็ดีหาปัญญาก็ดีตามสิ่งภายนอกดินฟ้าอากาศว่านั้นเป็นนั้นอันนี้เป็นนี่ว่าจะเป็นสติปัญญาถ้าไม่เอาสติปัญญานี้พิจรารณาให้เป็นอัดเป็นธรรมขึ้นมาสู่ใจตัวเองแล้ว ไม่เจอเลยสมาะก็ไม่เจอวิปัสสนาก็ไม่เจอวิมุตติพ้นก็ไม่เจอทําไม้เอาใจเป็นรากฐานสาคัญกวาต้อนสิ่งทั้งหลายเข้ามาด้วยปัญญาด้วยสติให้เป็นอัตเป็นธรรมไปด้วยกันแล้วแก้ตัวเองผู้ไปผูกพันมั่นหมายัสิ่งเหล่านั้นท่านั้นอันเด่จะถอดถอนตัวเองไปได้พูดไปพูดไปก็ไหนนันนี้มันพูดเร่งมาแล้วตุ เหนื่อยทำทำรู้สึกเหนื่อยๆแล้วเอาละวันนี้พูดเท่านั้นแหละเหนื่อยแล้วมันรู้แล้วมันทำไงนี่แล้วเครื่องมือไม่ดีก็เป็นอย่างนี้แหละฟังดูเอาซิแต่ก่อนเป็นอย่างนี้เมื่อไหรพูดไหลไปเลยเดี๋ยวนี้เป็นไปได้บ้างเลพอพูดเขาพูดเขาเอาละอ่อนก็อ่อนเข้าไปในนี้ถ้ามันยับเข้ามาภายในนี้ก็ไม่มอะไรพูดไปออีกธรรมะตกหายลงหมด